ا ل ل ه h u m m a bika أصبحنا وبيك أمسينا وبيك نحيا وبيك نموت وإلا إكن نشور أعوذ بِكَ لِمَاتِ الَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ َ عَسْمِهِ ش َ ي ْ ئ ٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و َ ا ت وَوَسَمِيعُ ا ل ْ ع َ ا ل ِ م ر ب ي ا ل ل ه ِ ر ب و ب ا ل إ س ل ا م ِ د ي ن ا วับิมูฮัม ل ัดอิลลัลลอฮ ل ัลลอฮฺมะِินน ي อาอูบิคับินัลคาสลิวَสูอِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أ َ عذاب فِي النَّارِ و َ ع َ ذاب فِي الْقَبْرِ سبحان ا ل ل َّ ه ฺ و َ ب ِ حمد ِ أ ี د َเَาَ خلق ه หีวาริ با نفس ِ ه ِ و َ ز ي ن ة َ ع ر ش ِ ه ِ و ا م ِ د َ ا د َ كلمات ِ ه, ه. ِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <ت ص في ق> พี่น้องที่ร่วมนำมาซุบะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละด้วย <c oughs> ความเมตตานะครับของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูบะตาลที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับมาถึงวันนี้อัลลอ์ให้เราได้มีโอกาสได้นอนห ล, ลับไปเมื่อคือนนี้ให้เราตื่นขึ้นมาดวอาที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอ์ก็คืออัลฮัมดุลิลละเป็นดวอาที่สมบูรณ์ที่สุด คือเหมาะสมที่สุดที่อัลลอฮ์บอกผ่านนบีให้นบีมาสอนอุมาของนบีทุกคนว่าการขอบคุณอัลลอ์ภาษาที่ดีที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลลานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอัลยานาบะดามะอามะตานาไวอิลาฮินูชูดนี่เป็นดวอาที่ดีที่สุดที่ผ่านท่านนบีมุ h d สุลลัลลอฮุซัลลัมดวอานี่อย่าแต่งเองนะนะครับพยายาม เรียนแบบหรือว่าเอาสุน나ของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันดูอาตอนเช้าหนึ่งมีทั้งหมดสิบเก้าดูอาดูอาตอนเย็นก็เหมือนกันสิบเก้าดวอาดวอาบนเดียวกันนี่แหละที่นำเสนอไปประมาณห้าหงดวอานะครับขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้นั่งอยู่ในบ้านของอัลลอ์นะครับแล้วก็ทบทวนอัลกุรอานแต่วันนี้ทบทวนเป็นพิเศษก็คือว่า ราเอาคุรานมาหาความหมายหาความรู้จากอัลกุรอานนะครับกุรานที่นาํามาเสนอเนี่นะครับเอามาจากหลายๆตับซีดหลา ย, ย, ห, ลายหลายเล่มนะครับประมาณหกเจ็นเล่มด้วยกันนะครับเอามุมมองต่างๆของบรรดาอุลามะเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังนะวันนี้มาถึงสูรออัลมุมินูนสุร้ที่ยี่สิบสาม ในกุรานมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สู้หรอใว่า จ, จะอยู่ทันหมดหรือเปล่า<笑><笑>อัลล์จะเรียกเก็บก่อนก็ได้ก็ทำหน้าที่ของเรานะครับเท่าที่มีความสามารถฟัดตะกุลลอหฮามัสตะโตะตุมให้เรากลัวอลัลลอ์มายถึงทำหน้าที่ของเราเนี่ยด้วยความสารวมตนต่ออลัลลอ์เท่าที่มีความสามารถที่จะทำได้นะครับวันนี้มาถึง สุรที่ยี่สามอายาที่สี่สิบสนะครับกําลังพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องการลงโทษของคนที่ไม่เอาศาสนาสมัยนบีครับนบีฮูดอะลัยฮิสตาีลาบเราอ่านกุณอ่านอายาที่สี่สิบเอดเนี่ยแสดงว่ามนุษย์นี่ถ้าไม่เอาศาสนานี่ไม่มีค่าเลยนะอิหมามอามุตเตกีเนี่ยนามาฏนะ อัลลอฮ์ไม่มีค่าเลยนะคนเนี่ยคนถ้าไม่เอาศาสนานะครับแล้วเป็นคนกาเฟ่ไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วตายเนี่ยไม่มีค่าเลยนะยิงโลกดุนยาใบเนี้อัลลอฮ์บอกว่าไงนะฉันสร้างโลกดุนยาใบนี้มานี่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่อัลลอฮ์ตีราคาเนี่ยปีกยุง่งดีกว่าแล้วพวกเราจะมีราคาอะไร จะเอาก็ดูกหรือจะเอาเนื้อหรือจะเอาตรงไหนอาจจะเอาน้ำมันน้ำมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยขายแลว้วประมาณสี่ห้าร้อยบาทเองแต่นั้นแต่หากไม่เอามีไม่มีอีมาไม่มีตักวาเนี่ยไม่มีค่าเลยมนุษย์ไม่มีค่าเลยนะแต่ราคาโลกใบนี้เนะี่ยปีกยุงดีกว่าแต่นั้นแต่หากเราไม่มีอีมาไม่มีศาสนาไม่มีนามาตคบฆ่าเวลาไม่มีกัลมาณมารดาอยู่ในใจเนี่ยถามว่าเรามีอะไรอ่ะ ไม่มีค่าเลยแค่นั้นต้องเป็นมุมินต้องเป็นผู้ศรัทธาต่อ Allah, เรียนรู้เรื่องอีมานเพ่า น, นั้นและอัลฮัมดุลิลละนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามสุ น, นัาของท่านนาบีวันนี้มาอายาที่สี่สิบสองนะครับอัลฮัมดุลิลละดูอัลกรุรอานนะครับ ทَุ่ม์อันชาแนม ن มบ اع ดิห์มุรุนนันอัครินทุ Р ่มม์อันชาแนมิมบ اع َิห์มุรุนนันอัครินอัลลอฮุอะลัยฮุอะบดุอฮฺดูสั์นะครับซุมมาและหลังจากนั้นหรือว่า แล้วก็ได้หลังจากนั้นอันชะนาเราได้บังเกิดอันสะอาดแปลว่บาบังเกิดดูขคอแล้วก็เหมือนกันสับคล้ายค้ายกันอันชะนาเราได้บังเกิดมิมบาดิหิมมิมแปลว่าจากบาดิหิมหลังจากหลังจากนั้นหลังจากนาบีฮุษหลังจากหมู่ชนของนบีฮุษถูกทําลายหมดไปแล้วเนี่ย โลกดุนยาไปนี่เอาล็อประคองต่อไปอีกให้อยู่ตัวต่อไปอีกโดยการให้คนรุ่นใหม่ต่อมาอีกไม่ใช่จบแล้วจบเลยจบรุ่นนึงก็ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับซุมอันสนามิบะดีหิมแล้วหลังจากพวกเขาหลังจากหมู่ชนของฮุธถูกทาลายจบไปแล้วพ่อเขาไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติตามน บ, บีไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทําลายพอทําลายเสร็จแล้วก็อัญชะนาเราได้บังเกิดกูรูนั้นแปลว่ามูชนหไอ้ซับเดิมเนี่ยแปลว่ากูรูนแปลว่าอะไรนะเออสัตวต์แต่ตรงนี้แปลว่าอุล ม, มะกูรูนหมายถึงอุลมะ อุ ม, มาณี้หมดไปแล้วถูกให้ตายไปแล้วถูกฟ้าผ่าไปแล้วถูกน้ําท่วมไปแล้วการลงโทษของอัลลอฮ์มีประมาณแปดเก้ารายการที่อ่านจากกุไรานที่ผ่านๆมาสรุปก็คือคนที่ตายเนื่องจากไม่เอาศาสนาไม่เชื่อนะบีหนึ่งแผ่นดินไหวสองฟ้าผ่าสามลมพายุมาแรงแรงสี่ฝนตกน้ําท่วมห้าฝนตกลงมากลายเป็นไฟ หกทะเลาะ ก, กันเองฆ่ากันเองเจ็บแตกแยกกันเองนะครับแล้วก็มีเสียงกัมปนาเสียงดังๆลงมาจากฟ้าๆตายหมดเลยเนี่ยเจ็บแตกรายการนี่แหละซ้ําไปซ้ํามาอยู่บนโลกดุจยาบบนี้แหละแล้วก็นานๆก็จะมีสึนามิขึ้นมาครั้งหนึ่งนี่เป็นอาสาบใหม่ขึ้นมาแล้วตายหมดเลยคนที่แก่พ้าอยู่ชายทะเลนะไม่เหลือสักคนเลยใช่ไหมกระนั่งอาสาบของอัลลอฮฺ ชาสังเกตให้ดีเอาลอดลงมาเพื่อทําลายแล้วก็เป็นบทเรียนสําหรับพวกเราวันนี้ด้ยวยอย่าลืมต้องเป็นไอบะนะ้บล้อนะโปรบิคอตเตือนใจผมอ่านหนังสือของมนะอนาอบบุลฮัสซันเมื่วานเนี่ยได้ข้อคิดอย่างหนึ่งมีคนถามมอนาอบุลฮัสซันบอกว่ามหาธรรมาการดีกับฮินดูรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงฮินดูทั้งคู่นั่นแหละทําลายมุสลิมทั้งคู่นั่นแหละ เป็นยังไงมนนาโมซันตอบ ว, ว่ามหาตามาคานดีเนี่ยเป็นผู้นําที่ต้องการให้ฮินดูกับมุสลิมนี้รักใคร่กันสงครามไม่เคยมีข่ากันไม่เคยมีเพราะว่าเขาบอกตลอดเวลารักกันนะฮินดูนะมุสลิมนะอยู่ด้วยกันรักใครกันพอมหาตามาคานรีพวกเราคงไม่ได้ยินมหาตามาคารีนะเพราะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่านี่ได้ยิน อาตมาคาร์ทีตายไปแล้วฮินดูรุ่นใหม่มานี่เขามีนโยบายว่าประเทศอินเดียต้องฮินดูอยู่เท่านั้นศา ส, สนาอืน่นไม่ให้อยู่แล้วเป็นไงไปน้องพระวางนโยบายบอกว่าประเทศอินเดียต้องมีเฉพาะคนฮินดูอยู่เท่านั้นเท่านั้นแหละพระวังนโยบายมุสลิมมาถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าประเทศชาติเสียหายไหมเสียหายมาเลย เขาว่าเรานี้มาจะคับมันจะอัลลอฮ์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้ยวต้องประคองตัวเองให้ดีกต่เรื่องมุสลิมที่ถูกฆ่านี่ไปนอนทั้งหลายนะครับจะด้ว ย, รยกรณีใดก็ตามถ้าเราไม่มีอีมานเราตายเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะต่กี้ท่านอ่านมุสกี้น่ะไม่มีค่าเลยแต่ถ้าเรามีอีมานมีตักวามีอัลลอ์มีรอซูลตายแบบสิทสหีบอัลฮัมดุลิลลา เะนั้นเราต้องนึกตลอดเวลาว่าเราจะอยู่บนโลกดุญยาไปนี้ถ้าไม่อ่านกูรอานนี่ไม่รู้พออ่านกูรอ่านล้วรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งถ้าเรามี إ ي ่านต่ออัลลอฮสุบฮานะฮวะอลาหฮินดูมันจะวางแผนแบบไม้ก็ตามถ้าเราตายเราตายฉะฮิดทุกขังเลยทำไดเลยนะต่อมาครับ ซุมมอันชะนามิมบัติหิมกุรุนันอัครีนแล้วหลังจากพวกเขาหลังจากหมู่ชนของฮูดของนบีฮูดเนี่ยจบไปแล้วถูกลงโทษไปแล้วเราก็ได้บังเกิดหมู่ชนใหม่อีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาอีกมาแทนรุ่นใหม่เนี่ยในอุลมามะเขาอธิบายไว้มีอยู่สามนบีด้วยกัน หนึ่งนบีสอลแลห์สองนบีลูตอสมนบีชูอ า, ายบะลาฮิสุบะลฮิมุสลามสามนาบีนี่ขึ้นมาอีกก็มีชนรุ่นนบีหมู่ชนของสอลแลห์เนาะนบีหมู่ชนของนบีลูตและหนุหมู่ชนของนบีชูอายบะลาฮิสลามอัลลอฮ์ให้เกิดมาอีก<ด>นะครับเ<ด>พราะโลกใบนี้ก็ต้องอยู่อีกนานนะครับ แล้วก็มาตอนท้ายก็มูมีพวกเราวันนี้ใช่ไหมยุคของนบีมุฮัมมัดสลุล ล, ลัลโมะอะเลฮิวะซัล ล, ลัมนี่อัลลอฮ์ให้เกิดมาทั้งหมดนะไม่ใช่เกิดมาด้วยความบังเอิญนะทีนี้อายาที่สี่สิบสามนะครับนี่เตือนให้เรารู้นะว่าแต่ละยุคแต่ละยุคนั้นอัลลอฮ์จัดนาะไม่ใช่จัดประใชศอเมริกาจัดนาะนะครับนี่อัลลอฮ์จัดทั้งหมดยุคนี้ไปยุคสองมายุคสามมายุค ส, สี่มาแต่ละยุคละยุคจนกทั่ทงวันนี้ เป็นยุคของท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นยุคสุดท้ายหลังจากยุคของนบีมุฮัมมัดแล้วมีอีกไ้ยไม่มีแล้วมีแต่วันกิยามะอย่างเดียวเราต้องนึกแบบนี้ต้องมีอกักขีร่าแบบนี้นะครับอายาที่สี่สิบสามาตาสบุคุมินอุมมาตินอาจัล่าวะมายัสตะฮิรูน มาตะสบิขุมินอุมมะดินอาจาลาฮวะมายัสตะฟิรูนขยอนี้ต้องการจะสอนให้เรานึกการลงโทษของอัลลอฮเนี่ยมาตรงเวลาเป๊ะเลยไม่ช้าเราก็ไม่ไว้เนี่ยการลงโทษลงลงโทษประชาชาตินะทำลายทั้งแผ่นดิน ทำลายคนทั้งหมู่บ้านนี่นะมาตรงเวลาเป๊ะอย่างส่วนนี้เนี่ยมาตรงเวลาเป๊ะจะนี้สังเกตนะอาสาที่มาเนี่ยเป็นการลงโทษจากอัลภเพราะประชาชนไม่เอาศาสนาเนี่ยมีอยู่สองเวลาใหญ่ ห, ญหนึ่งขณะที่ผู้คนกำลังเพลินการเพลินมีสองอย่างเพลินพ่อนอนกับเพลินพ่อค้าขายกาลังนับเงินเพลินนีอยู่สองช่วงด้วยกัน หนึ่งตอนกลางคืนหลับกันหมดไม่มีใครรู้ขึ้นมาสูอยู่ตอนโ ล, โลโลสักคนหนึ่งระวังระวังระวังกับตอนสายๆประมาณแปดโมงเก้าโมงผู้คนกำลังคาขายอยู่ในตลาดเพลินกับการนับเงินกับเพลินกับการนอนไม่มีใครํำลึกถึงอัลนะลัสุบะฮานะฮูวาต่าลาสังเกตสนามิครั้งที่แล้วมาตอนไหนเชา้าผมนั่งประชุมวุทศาสตร์นะถามเนี่ย ข่ามาแล้วอะสนึนามิมานึกเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺบอสซาบิลลาฮิมินซาบิกี่น้อะนั้นสังเกตนะมาตัสบ um ิกุมินอุมมัตินอาจาลลาฮวะมายัสตักฮิรูนไม่มีประชาชาติมาตัสบิกุนี่ต้องแปลแปลสำนวนภาษาไทยนะมาตัสบิกแปลว่า ไม่รีบไม่ไม่รีบเร่งอาตัสบีกูเนี่ยไม่มาก่อนเวลาไม่รีบนะครับไม่ทำให้เกิดก่อนนะครับมินอุมมาตินประชาชาติหนึ่งถ้าจะแปลก็ไม่มีประชาชาติที่จะเร่งได้รับการลงโทษให้เกิดขึ้นก่อนกำหนดว า, ายัสตะคีรุลและไม่ รังไว้ให้ช้าไม่ให้เกิดก่อนเวลาและไม่ให้เกิดช้านะครับมาก่อนเวลาสักห้านาทีก็ไม่มีหรือมาหลังสักสามนาทีก็ไม่มีเอารอบกาหนดเจ็ดโมงเป๊ะก็เจ็ดโมงเป๊ะเลยไม่มีไม่มีเลื่อนเวลาไอเราอย่ามือเลื่อนใช่ไหมนะ่ะมียูนสองอย่างแล้วเมื่อทีที่ตรงเวลาเป๊ะของเราเนี่ยนะนามาจานาจ้า เก้าโมงเก้ามงเป๊ะเลยขังเราอาสวัตแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงอะมีอะไรไหมมีอย่างเดียวแล้วมึง ท, ที่มันตรงเวลาอยู่เนี่ยนะถ้าทีาสังเกตนะมีกี่อย่างมีกล้าจะออกมีนิกล้ากับตายเอที่สังเกตนะตรงเวลาเป๊ะเนี่ยนะนอกนั่นบเบี้ยวกันหมดเลยอล๋อยิ่งกินบุญเนี่ยหมดห่วงระเชิญทั้งวันนะทมเวลาดีนะเอาละสรุปนะนะ การลงโทษของอัลลอแก่ประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดมาตรงเวลาเป๊ะเลยรวมไปถึงอาญาณของเราด้วยอาญาณของพวกเราแต่ละคนแต่ละคนอัลลอฮฺแกโนดไว้นะหนึ่งนาทีก็ไม่ช้าก่อนนาทีสักหนึ่งนาทีก็ไม่เร็วเปะ๊ะไม่รู้งัเมื่อไรเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอเราได้ความรู้เากอัลลอฮฺการตายบัลา ฟิทนานจะมานี่เป็ น, น่องไม่รู้เลยแต่มาตรงเวลาเป๊ะเพราะอัลละฮ์กำหนดไว้แล้วนะครับมาตัดบุมินอุมมะตินอาจาลลาว่ามายัตะคิรูนไม่มีประชาชาติใดนะครับที่จะเร่งให้ลงโทษคือให้เกิดขึ้นก่อนกำหนดและจะรั้งให้ให้ชา้า เพื่อให้พ้นจากตัวเองไปก็ไม่ได้นะครับกาหนดเวลาอันนี้มาจากอัลลอฮ์สุบฮานา ห, าหูบตาลาได้ความรู้สองเรื่องแล้วไปน้องนะครับอธทีนี้ <c oughs> สังเกตคนที่ถูกลงโทษหนึ่งก็คือคนที่ไม่เอ า, าศาสนาสังเกตนะหนึ่งกุฟสองชิริกกุฟกับชิริกเนี่ยแปลแปแปลความหมายดูสิกุฟหมายถึงปฏเปิฏเสธปฏิเสธอัลลอฮ์เลย นะครับไม่เอาอัลลอฮ์เลยแล้วก็ชริกเนี่ยยึดพระเจ้าเหมือนกันแต่ยึดพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์มาเป็นพระเจ้าย่อยๆในประเทศอินเดียในฮินดูนี่มีประมาณเท่าไรสามหมืนในเมืองไทยนีย่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่รู้ว่าเท่าไรเหมือนกันใช่ไหมแต่ของมุสลิมเนี่ยว่าเหตุหนึ่งการที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนให้เลิกพระเจ้าทั้งหมดเหลือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ย มันรับกันไม่ได้ประชาชนรับไม่ได้นะ่ะมุสลิมเท่านั้นเองที่รับได้แต่มุสลิมที่บูชาโต๊ะตะเกียรก็รับไม่ได้นะฉันต้องไปโต๊ะตะเกียด้วยไปโต๊ะระยองด้วยฉันต้องผูกอัซซิมัดด้วยฉันต้องมีผ้าเขียวผ้าแดงด้วยนี่เป็นชีริกทั้งหมดฉะนั้นต้องพออ่านกุรานต้องนึกนะ่ะพวกเราสมัยก่อนนี่ก็อร่อยจริงๆน่ะจึ ง, นะ จ, งจบทักนี่ก็ไม่กล้าออกแล้วอะ่ะ แล้วก็ผ้าเขียวผ้าแดงที่หัวจัววันนี้ยังมีหรือเปล่าไม่ทราบหมดแล้วนะหรือยังมีอยู่ก็ไม่รู้นะอัลลอฮฺแล้วก็นกแขกที่บินกลางคืนเนี่ยแปรผ่านหัวบ้านเนี่ยโตะพูดว่าคนตายนี่เป็นความเชื่อที่อิสลามไม่ส่งเสริมมเป็นชีริกต่ออัลลอฮฺอย่างร้ายแรงดังนั้นพยายามขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจของมุสลิมทั้งหมดนะครับที่ที่ที่ที่ทอ่านตำสิทอญญายานีนะครับพี่น้อง เอาต่อมาครับอายะที่สีสสนะครับอัลฮัมดุลิลลาซุลมาอารซัลนะรุสูละนะตัดรอคุลลมาจาอุมมัตตร์ูลูฮะกัลลาบุฟะตบะนะบะบาฮุมบะบา وَجَعَلْنَاهُمْ أ َ ح َ ا د ِ ي ث ف َ ب ُ ع ْ د َ ل ِ ق َ و ْ م ل ا ي <تصفيق> ُ م ِ ن ُ و ن َ س ُ م َّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ت َ ت ْ ر َ ا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّتَ ر َّ س ُ و ل ُ ه َ ا كَذَبُوهُ فأتبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون الحمد لله آ สประเด็นนะครับได้รับความรู้สรายการรายการที่หนึ่ง ต่อจากนั้นแล้วต่อจากนั้นขึ้นหลังจากถูกทําลายไปแล้วนะหลังจากนั้นต่อจากนั้นอัลสลนาเราได้ส่งอัลฮัมดุลิลลาเราได้ส่งแสดงว่าอัลลอฮ์เลือกเองงานนี้นะครับอัลลอฮ์จัดการเองทั้งหมดนบีแต่ละคนแต่ละคนมานั้นอัลลอฮ์จัดการคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับอัลลอฮ์จัดการแต่เพียงผู้เดียว ส่งใครมาครับรูซูลานารอซูลหลายหลายคนเป็นรพระอุปัชฌนะรูซูลานาอัลลอฮฺได้ส่งรอซูลหลายหลายคนมาส่งแบบไหนครับตัทรอต่อเนื่องกันมายถึงเป็นระยะระยะเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะแสดงว่าอยาย่นี้วรรนี้ต้องการจะอธิบายว่าอัลลอฮฺเนี่ยเป็นห่วงมนุษย์ไม่ให้มนุษย์ใช้ปัญญาเอง นะครับเมื่อยุคนี้ไปยุคที่สองมาอาลัลลอฮ์ก็ส่งรอซูลมามาทําอะไรครับมาสอนมาสอนเรื่องอะไรครับนี่แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ที่ถูกอลัลลอฮ์ลงโทษเพราะกู้ฟรอนกับชีก้กันปฏิเสธอลัลลอฮ์กับมีชิริกอลัลลอฮ์ก็ส่งรอซูนคนที่สองมาคนที่สามม า, ค น, า, มมาคนที่สี่มาส่งแบบต่อเนื่องเป็นระยะระยะบางทีก็ห่างกันก็มี อย่างนาบีอีสากับนบีมุฮัมมัดห่างกันกี่ปีห้าร้อยกว่าปีไอระหว่างห้ารยนี่แหละมีสองเรื่องใหญ่ๆ 1. ชนิริกสองกุฟัติเสธฉะนั้นยุคของนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮเมตานะหลังจากนาบีมุฮัมมัดมาแล้วนบีไม่มาแต่มีอุลมามะมาทำงานแทนทำดุลิละมีขนาดมีงานทำแล้วนะอัลลอฮากับคนตอนนี้เริ่มขึ้นละ รับอิสลามกันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ยาฮูดีปวดหัวกับปวดตรงนี้แหละเอ้ยฉันจะทำลายมุสลิมทั้งโล ก, กจะจ ะ, จะทำลายยังไงในขณะที่มีสงครามหมดนะนมัอยู่ทั้งหมดนะทุกโลกทุกที่มีมุสลิมนะ่ะมี ม, มีมีสงครามหมดนะต้องการจะทำลายมุสลิมแต่ที่ไหนได้มุสลิมไปโผล่ในอเมริกานู่นโผล่ไปวันนี้มันแผ้ขออัลลอฮ์ทั้งหมดเราไม่รู้แต่ว่าคนที่ยืนพิงอัลลอฮ์ชนะหมดครับ <c oughs> คนที่อยู่กับอัลลอฮ์รอซูลของอัลลอ์ชนะมุมินชนะอยู่ข้างข้าวอัลลอ์อยู่ชนะชนะหมดครับพี่น้องแต่ว่ามองดูเหมือนกับแพ้นวันนี้นะแต่ลึกๆแล้วชนะครับเอาสังเกตมานาบุษาสาซั์สอนดีนะผมชอบอ่านเซวันนาบุษสอนอเตือนดี <c oughs> เขาบอกว่าเถานอย่างนี้นะเป็นคำถามดีนะเด็กมุสลิมเนี่ย อีกคนนึงหัวดีมากเลยอ่านหนังสือก็อขยนันเก่งสมองฉลาดแต่ไม่ก้าวหน้าในชีวิตแต่เด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยฉลาดแล้วก็อะไรอนะสมองก็ไม่ดีมองโดนไปไม่รอดแต่มันก้าวหน้าในชีวิตนถามว่าเพราะอะไรคําตอบสั้นๆอรรห์ว่า พราะดูอาของพ่อแม่ให้ลูกของเขาจเจริญเห็นไหมพ่อดูอาของพ่อแม่เพราะั้งพี่น้องอย่าลืมนะลูกของเราจะดีจะเด่นเนี่ยไม่ใช่ขึ้นตือสมองของลูกอย่างเดียวนะลูกของฉันเก่งมากอ่านหนังสือเก่งมากโอ้โหขยันน่าดูเลยพ่อแม่เลยไม่ขอดูอาให้ลูกแล้วเอาเองพึ่งตัวเองไปไม่สมําเร็จครับเพะนั้นเด็กไม่ฉลาดหัวสมองไม่เคยเก่ง เกียรติบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ที่ไหนได้ด้วยดูอาของพ่อแม่นี่แหละทำให้ลูกก้าวหน้าในชีวิตเรื่องที่สองยึดอยู่กับอัลลอ์สุบฮานะฮูวตาละลูกเนี่ยต้องเตือนนะครับให้รักอัลลอ์ให้พิงกับอัลลอ์ให้ใช้ชีวิตอะไรนะ่ะเลือกอาหารฮาลานทานอย่าทานอาหารที่ฮารอมอย่าลืมนะสองรายการนี่นะ ฮาลาลอาหารที่ฮาลาลเนี่ยทำให้สมองดีนะทำให้อลรถเพิ่มริสกีให้กับคนเหล่านั้นคำว่าริสกีไม่เจ็บเป็นเงินนะหมายถึงความเจริญก้าวหน้านในชีวิตข้อที่สามนะครับ mm hmm. เด็กๆทุกคนจะต้องเรสเปคให้เกียรติครูบาอาจารย์มีสามรายการเลยนะข้อที่หนึ่งพ่อแม่ขอดุอาให้สองเลือกอาหารทานที่ฮาลาลสามให้เกียรติครูอาจารย์ อย่าไปดา่าดาครูบาอาจารย์จะชีวิตจะเหลืออะไรแล้วครับแค่ต้อมองซอ่บ้านนาบีก็มองนบีเป็นแบบไม่มีซอ่บ้านนบีคนใดด่ดานบีไม่มีครับแค่นั้นต้องให้เกียรติครูบาอาจารย์ทั้งหมดแล้วก็ข้อที่สี่ทำงใช้ชีวิตที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นตักวาต่ออัลลอฮ์คือเลือกชีวิตตักวาฉันอยู่กับงานแบบนี้ด้วยตักวาต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ทรยศ ต่อสังคมทําไม่พระยศต่อมุสลิมฉันไม่พระยศต่ออัลลอฮฺพี่น้องสามสีรายการนี้จะทํำให้ลูกของเรานั้นมีความก้าวหน้าในชีวิตถึงสมองจะไม่เก่งสมองไม่ดีขี้เกียจเล็กๆในน้อยอะไรก็ตามแต่สี่สี่อย่างนี้ทําให้ลูกก้าวหน้าในชีวิตขอย้ําทำอีกครั้งเลยนะหนึ่งดูอาของใครอาของพ่อแม่ อ, อย่าลืมนะ ถามว่าพ่อกับแม่เนี่ยสําคัญทั้งคู่แหละที่แม่ขอนี่นะอัลลอฮ์ว่าว่าท่นหนึ่งเลยมีคนถามมอนาผูรละซันบอกว่ า, นะ า, ว า, วาท่านเนี่ยทาไมคนรู้จักทํางโลกเลยอ่ะกขาบอกว่าทุกครั้งที่ท่านอ่านอ่านหนังสือเนี่ยแม่จะเดินมาข้างๆบอกลูกอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมะตีนีอัฟฟัละมาตุตีไอบะดากัลส์ลัฮินจะต้องนํามาไปใช้เลยนะ อัลลอฮุมะตีนีโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานให้แก่ฉันอัลลอฮละประเสริฐกว่าดีกว่าตุตีไอบาดะกะฟลิฮินที่อัลลอฮ์ประทานให้ก ala, ก, ก, กบ่าวของท่านที่เป็นคนซ้อนลแรล่ตั้งหลายให้ให้แกฉันมากกว่าคนซอนลแรล่ที่อัลลอฮ์ให้เห็นไหมนี่เป็นดุอาที่อะไรนะที่ท่านอบดุสล น, นะครับให้มุมลิมนี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แบบนี้ คุณแม่ของมานาะอับุหฮาซันเนี่ยมานั่งริมลูกชายแล้วก็บอกลูกขอหนอาบทนี้อัลลอฮุมะตีนีอัลลอฮุมะตีนีอัฟดอละมาตุตี ع าด د กะสาลีหีนดูอาบทนี้ผมไปเช็คดูแล้วนะน บ, บีให้เราอ่านตอนไหนรู้ไหมตอนเดินจะเข้าแถวตอนเดินจะเข้าแถวนามาดเนี่ย พอเราได้ยินอีกออกมาใช่ไหมเลารอกะระบาช่วยอลไรเรารอระหวางที่เราเดินมาจากหัวมุมนู้นน่ะให้ขอตุอาว่านี um ini, อัลลอฮุมะตีนีอัฟบัละมาตุตีไอบะดะกะซอลียนแต่หลายคนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยจะอ่านหนังสือ um ini, อัลลอฮุมะตีนีอัฟบัละมาตุตีไอบาดะกะซอลีินจะเขียนหนังสือ um ini, อัลลอฮุมะตีนีอัฟบัละมาตุตีไอบาดะกะ หลายคนขอดูอาเพราะแม่สั่งให้ลูกขอดูอาวันนี้ผมสั่งขอรอนะ้องนายเตยปน้องขอกันเองเป็นน้องเพื่ออดไเพื่อจะได้ดูอาที่อัลลอฮฺบอกกับนบีและนบีสั่งให้เราขอดูอาตอนจะเข้าแถวจะเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกโอกาสเลยว่าไงนะอัลลอฮุมัะตีมีอัฟบัลละมา ทีอีบะดาคาสอลย์ให้ยืนยันด้นนะครับอาตมาครับภ <S ess iz im> ุมม์อา ร, ารุสันนารูซูลานาตัทร์มีเรื่องที่หนึ่งนะครับจากอายาที่สี่สิตีอัลลอฮ์ได้ส่งรูซูลหลายคนมาต่อเนื่องกันนะครับเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะไม่ได้ทอดทิ้งนะส่งมาสม่ำเสมอนะครับเรื่องที่สอง กุลลมาจอาอุมะตาราะซูลุฮเรื่องที่สองนะครับทุกครั้งหรือว่าครั้งใดที่รอซูลของเราได้มายังหมู่ชนใดก็ตามนะครับทุกครั้งที่อัลลอ์ส่งนบีมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละคน มหากลุ่มใดก็ตามสิ่งที่ได้รับกัซาบูฮูนีอ่อัลลอฮ์สรุปเลยนะกัซาบูฮูเป็นไงครับพวกเขาปฏิเสธพวกเขาไม่เชื่อเห็นไหมอลัลลอฮ์สศาสนาเนี่เหนื่อยได้ไม่เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยจริงๆอลัลลอฮ์เรื่องของดีๆเอาไปให้กับประชาชนเนี่ยเหนื่อยนะดูลูกเราก็เหมือนกันอลัลลอฮ์อักบุร ใครที่มีลูกไม่ติดยานี่อัลฮัมดุลิลลาฮฺขอบคุณอลัลลอฮฺเยอะๆลูกเราไม่เสียอัลฮัมดุลิลลาฮฺยึ่งมาสอนประชาชนทั่วๆไปนี่กัจามูฮูเนี่อัลลอฮฺสรุปเลยนะประชาชนตรงนั้นไม่เอารอดูญของอัลลอฮฺนบีนบุมาสอนกี่ปีเก้าร้อยห้าสิบปีอัลลอฮฺเห้ยไหมมีคนเอากี่คนหนีไม่กี่คนที่ไม่เอาจมนำตายน่าจะเป็นบุรียนดีเลยนะ จะคิดกันไม่ออกเอาเรื่องที่สามฟาอัตบานาบาบูามบาอโบดังนั้นเราจึงทำให้บางคนของพวกเขาตามอีกบางคนอธิบายยังไงครับเราได้ทำให้บางคนของพวกเขาตามอีกบางคนซื้อ พวกหนึ่งถูกทำลายพวกใหม่ก็มาทำหลายแมาแทนที่อ่าตรงนี้อธิบายอย่างนี้พราะเขาไม่เชื่อปา้าเจ่ามากอลลอฮ์ก็ทำลายพอทำลายจบไปแล้วอลลอฮ์ให้หมู่ชนที่สองตามมาอีกไม่รู้ว่าแผ่นดินเราเนี่ยมันมีกี่ยุคกี่สมัยเราก็ไม่รู้นะแต่ที้พออ่านประวัติที่ประเทศเนี่ยประเทศอัลจาร์แดนเลบานอนอะไรน่อยซีซีอาชามซีเรียทั้งหมดหล่านี้นะมัน มันมีไม่รู้ว่ากี่ยุคตอกี่ยุคเลยนะมายุคนี่ไปยุคนี้มาก็ถูกทำลายอยู่ตรงนี้แหละแต่ประเทศไทยไมันรู้ว่าก่อนหนะ้าเรามียุคไหนอยู่หรือเปล่มามันรอว่าเราไม่รู้ใช่หไหมมันกระทับกทับกันตรงนี้แหละประเทศชาติเนี่ยโอ้ยกว่าจะมาถึงวันนี้นะทะเลอกกันมาแล้วฆ่ากันมาแล้วถูกทำลายกันมาแล้ววันนี้ที่เราเห็นก็แค่นี้แหละนะครับซีอาเรื่องพวกนี้นนะเสรุปสั้นนะ <laughs> ตัวลงว่าฟาอัชบานาบอบะฮุมบอบอดังนั้นเราจึงได้ให้บางคนของพวกเขาตามอีกบางคนคือพวกหนึ่งถูกทําลายไปพวกใหม่ก็มาถูกทําลายอีกต่อกลุ่มใหม่มากก็ทำลายอีกกลุ่มสองมากก็ถูกทำลายอีกเพราะเขาไม่เชื่อรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาต่อมาข้อที่สี่วาจาลนาฮุมอาฮัดิสอัลลอฮุอะลลอฮ ว่าจะอัลนัุมัฮามะดีเพราะฉะนั้นแล้วเราได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องบอกเล่าต่อกันมาอาฮาดีอัยานี่ต้องการจะอธิบายว่าประวัติแต่ละยุคแต่ละยุคที่ถูกทำลายไปแล้วอเ ล, ลาส่งราซูนมามาสอนไม่เชื่อถูกทำลายถามว่าตอนนี้เหลืออะไร ลอลมาถามว่าตอนนี้ไปเช็คดูสิเหลืออะไรบ้างเหลือแต่อาฮาดีสร่องรอยไม่เหลือแล้วเหลือแต่เรื่องบอกเล่าขานต่อกันมาเท่านั้นเองใช่หรือไม่ใช่เหลือแค่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมีนกราณสอนให้เราคิดแคนั้นแต่ละยุค อ, อย่างยุคนบีนู่นน่ะเรืออะไรนะจมน้ำตายสร้างเรือ แค่ประวัติใช่ไหมอ้อนบีนวสร้างเรืออัลฮามดุลีลามีคนมาเยาะเย้ยนบีแต่อุลามะเขาถามบอกว่าไอเรื่องราวที่บอกเล่าต่อกันมาเนี่ยเรื่องดีหรือเรื่องเลวสรุปจากตับซีดสามสีเล่มที่ผมเช็คนะเรื่องชั้นรู้เรื่องเลวหมดเลยเรื่องดีไม่เคยมีประวัติเรื่องเล่าบอกต่อกันมาเป็นเรื่องเลวทั้งหมดเลยเรื่องดีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเลวหมดเลย ัมดูลิลลานี่กูอ่านแล้วได้คเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องที่หนึ่งอัลลอฮ์ส่งเมตตามนุษย์เพื่อให้ยึดศาสนาเป็นทางนามชีวิตอัลลอฮ์ก็ส่งมานบีมาสอนเป็นระยะระยะเรื่องที่สองนบีของอัลลอฮ์ส่งมาแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อตาหนิต่อว่าทำร้ายขับไล่เรื่องที่สามนะครับฟอัตบานาบาบฮุมบาหมดอายุ หมดยุคนี้ไปแล้วอลัลลอฮ์ก็ส่งยุคใหม่มาเอกชินกลุ่มก บ, บีนัวมาแล้วก็ต่อมาหน บ, บียนัวจบไปแล้วก็ส่งน บ, บียฮูดมาลูดมาติดตามกันมาอย่างนี้ตลอดเรื่องที่สี่นะครับแต่ละยุคถูกทําลายไม่มีร่องรอยให้หลงเหลืออยู่เลยนอกจากอะฮาดีสเรื่องบอกเล่าเป็นประวัติศาสตร์ให้เราฟังต่านั้นเองนี่ความรู้จากอกุลานใช่ไหม ดีไหมดีมากเลฮัมูลิลาแล้วก็เรื่องที่ห้าฟะบุอาด ล, ลิกลามิ ล, ลายุมินูเรื่องที่ห้าเรื๋ยของเราแหละฟะบุดันบางดแปะว่าแปะว่าห่างไกลเป็นการถูกทำให้ห่างบายทำให้ห่างห่างอะไรครับห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ อัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่ปราณีกลุ่มไหนครับลิกามิลลัยูุ่มินูนกลุ่มที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูอัตะอัลาห์เห็นไนี่วันนี้ตัวอายานี้สอนเตือนเราจะอยู่ใข่ความเมตตาของอัลลอฮ์ก็ได้ทําตัวเราเองจะอยู่ห่างต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ได้ไหมได้ใครทําทําเองครับพี่น้องสังเกตนะก็ อ, อยู่ในคันมานดาเนี่ยพอครบสี่เดือนเนี่ยอัลลอฮ์ให้สี่รายการ ให้ทันยิบรีนให้มะลัยกล้ามาเป่าวิญญาณหนึ่งพให้วิญญาณปับ๊บอลล็อกกำหนดสี่รายการหนึ่งริสกีสอง ajan าาความตายสามให้อาชีพภัยงานสี่เนี่ยอธิบายไงความดีกับความชั่วต้องการจอธิบายอย่างนี้ไอ้เรื่องดีกับเรื่องชั่วเนี่ยอลล็อกให้เราเลือกนะไอ้สามรายการไม่มีสิทธิ์เลือกริสกีใครกำหนดวันตายใครกำหนด อาชีพใครกาหนดอัลลอฮ์แต่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเราเลือกได้จะเลือกเป็นคนดีก็จะมานั่งเข้าแบบนี้แล้วเข้ามัสยิดนี้แล้วก็ดูรายงานศาสนาถ้าไม่เอาศาสนาก็นอนสินอนอร่อยยิ่งฝนอากาศอย่างนี้วันหน้านอนจะตายไ้แต่มันลุกขึ้นมาเพราะเราเลือกชีวิตที่จะตายแบบผู้มีอิมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะห ว, ว, วัดอะลองอ่นี้มีกี่ประเด็นนะ ห้าประเด็นไม่ใช่สี่ประเด็นนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละต่อมาอายาที่สี่สิบห้านะครับพี่น้องซุ่มมาอัลสลนามูซาและข้าวหัวรูนดิอาญาทินาวัสูลคอนิมมูบีน สุมมะอลรซาลนะมูซ่าแะอัราฮูฮารุนดียายาตินาวะสุลปนิมบนอัลฮัมดุลิลลอ่านอุอ่านได้ความรู้พี่น้องอ้าวอายาที่45ดูคำแปลนะครับแล้วเราได้ส่งอั ส, สนารเราได้ส่งส่งใครครับใส่ชื่อไว้เลย มูซาทำไมอลัลลอฮ์ไม่ใส่นาบีล่ะเราต้องเรียกมูซาว่านาบีแต่อลัลลอฮ์ไม่เรียกว่ามูซาไม่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่ออย่างเดียวมูซาอลัลลอฮ์ได้ส่งมูซามาผมไปนั่งเช็คภาษาอูรดูเมื่อคืนเนี่ยมูซาเนี่ยแปลว่าอะไรมูซาเป็นภาษาอียิปต์โบราณผสมกับคำสองคามูกับซา มูนี่แปลว่าปานีแปลว่าน้ํานะซาแปลว่าต้นไม้คําอธิบายสรุปว่าปานีเซนิการาหัวเอามูซาออกมาจากน้ํามูมซาเนี่แปลว่าเอามูเอาเอามูซาออกมาจากนา้ําปานีเซนิการาหัวนี่อ่านจากภาษาอุดุดมาเกิดได้ความรู้เพิ่มเลยนะครับดูแลผมก็ไม่รู้มากกว่ามูา Mine. แปลว่าอะไรอันนี้มูแปลว่าอะไรนะ มูซาแปลว่านา้ําซาแปลว่าต้นไม้ฮ่าฮ่าฮ่อาอลลอฮฺอ้าวสรุปท่านมูซาแปลว่าปะวัานน้ําก็ได้อีกอีกรายงานหนึ่งแปลว่าแปลว่าบัจจ่าแปลว่าเด็กก็ได้เปน็นภาษาอียิปต์โบราณมันใช่อียิปต์รุ่นใหม่นะยิปสมัยฟาโรานัน่น <c> ท <oughs> ีนี่ซุมมาอารซัลนามูซาแล้วเราได้ส่งมูซาและใครอีกครับว่าอาคอหูและพี่ชายของ มูซาชื่ออะไรครับมให้เราสับสนฮารูนฮารูนสองคนอายานี้มีคนสำคัญสาคัญของโลกสองคนคือมูสากับฮารูนส่งมาแล้วไม่พอครับบิอายาตินาให้มอจีซาตามมาอีกให้อะไรนะให้องค์การคำว่าองค์การเนี่ยสรุปก็คือมอจีซา อัลลอฮ์ให้กาน บ, บีมูซานก้ารายการเป็นมั่วอจีบาทหมดเลยนะครับพี่น้องให้มาเพื่อที่จะให้ฟาโร่เปลี่ยนใจแต่ไม่เปลี่ยนอลัลลอฮ์ยิ่งมายิ่งกังก็เก่าอีกโอหังอวดดีอวดโตพี่น้องแล้วก็ไม่พอครับอวดซุลอนอวแล้วก็อลัลลอฮ์ให้หลักฐานมาอีกอันชัดแจ้งพี่น้องเอาลหลักฐานปาน บ, บีมูซามีอะไรบ้างหนึ่งไม้กระพด สองเอาม้าจะพดโยนลงไปกลายเป็นงูนี่เป็นสุลต้อนเป็นมวดจีสารด้วยเป็นสุลต้อนด้วยนะครับมูบีนมูบีนแปลว่าชัดแจ้งเลย อ, อัลฮัมดุลิลลาห์เขาทักความรู้อัลลอฮฺบอกว่าแสดงว่าพวกคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยอร่อยทั้งนั้นนะ่ะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอร่อยจริงจริงอัลลอฮฺบอกว่านี่พีระมิดเนี่ยสมัยไหนฟารโรชัยไหมยัมฮอยูเนี่ยนะในอียิปต์เนี่ย นคนที่เรียนหนังสือนในอียิปต์ได้ความรู้เยอะนะเราอยู่ในอินเดียเลยมาไปรู้เท่าไรเอาสรุปสุมมาอรสซัลนามูซาวะอาคาฮูฮารูนดิอายาตินาวซูลปอนิมมุบีนและเราได้ส่งมูซาและที่ชายของเขาชื่อฮารูนพร้อมด้วยองค์การทั้งหลายหมาถึงมัจดีศาสตร์ของเรา และหลักฐานอันชัดแจ้งนะครับผมอ่านจากกราุร์านลมาคืนนีสรุปนะครับชีวิตของนบีมูซาเนี่ยเป็นอย่างนี้นานหนึงหน่งมูซาเป็นนบีของอัลลอฮ์สองมูซาถูกให้ลอยน้ำแล้วก็ใส่หีบและหีบเนี่ยไปไปนะนะลอยไปที่หน้าพระราชวังฟาโรห์แล้วก็พระมเหสีเนี่ยเก็บขึ้นมาได้ เรื่องที่สามมาเหสีของฟาโร่เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูมูซามาเหสีเลี้ยงนะแม่นมของมูซาเป็นแม่นมเป็นแม่นมเองแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยนี่แผลนของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะต่อมาครับนบีมูซาตโตและเฉลียวฉลาดไอ้ครั้งว่าเฉลียวจะคายให้ครับอัลลอฮ์ให้อย่าลืมนะแม่ขอทุกอาด้วยนะ ถือว่าฉเฉลียวฉลาดนะแม่ขออาะไรเป็นคนดีในะแม่ขอดูอาด้วยนะระหว่างที่ให้นมลูกอยู่เนี่ยมีลูกชั้นนี่ฟาโร่เลี้ยงนะ่ะอยู่ในพระราชวังนะ่ะแม่ก็มาให้นมแบบแบบแบบแบบจะรับค่าจ้างอนะ่ะให้นมไปขอทูลอาไปให้นงไปขอทูลอาไปพี่น้องนี่อ่ะได้รับความรู้จากนาบีมูซาเยอะมากครับพวกเราเนี่ยนะต่อมาครับนบีมูซาพอโตแล้วเนี่ย ไปฆ่าชาวอียิปต์ชาวไอคุบโดยบังเองิญต่อมาครับนบีมูซาหนีไปเมืองมาดียนันเพราะตัวฟาโร่จะจับตัว <c oughs> เมื่อหนีไปแล้วนะครับมูซาไปช่วยผู้หญิงสองคนโดยไปตักน้ําให้แกผู้หญิงสองคนคนนีนะ้เป็นลูกสาวของนบีชออีปลายฮิสซาลาเสร็จแล้วผู้หญิงเนี่ย น, บ, นบีชออี สั่ให้ลูกสาวมาตามมาตามน บ, บีมูซามูซาก็พบหน้าน บ, บีชองอิฟ ก, ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมกให้น บ, บีชองอิฟฟังต่อมาครับมูซานี่สรุปสรุปนะมูซาอยู่ที่เมืองมาดยันสิบปีเลี้ยงอะรด้วยเลี้ยงแพะเขา อ, อธิบายว่าทําไมไม่เลี้ยงอูดต้องเลี้ยงแพะทําไมคนอยู่กับอูดเนี่ยใจกระด้างอยู่กับแพะเนี่ยใจเมตานิ่มนวล ท่า น, นคนที่จะเป็นนบีเนี่ยส่วนใหญ่เลี้ยงแพ้หมดคนจะผ่าเรื่องการแพะมาได้นเนี่ยสำเร็จในชีวิตสูงมากเลยถ้าเลี้ยงอูดแบบรบนะับเน่ะต้องมีนบีมานะใช่ไหมขนาดมีมาแล้วเนี่ยยังอร่อยอยู่เลยวันนี้นะเอา้าแต่งงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านพอเดินทางกลับบ้านมาถึงภูเขาตัวเห็นพุ่มไม้มีไฟเห็นพุ่มไม้มีไฟนะครับ ต่อมาครับได้รับแต่งตั้งไปที่ภูเขาตูวาเนี่ยมูซาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีมาสอนศาสนากับใครฟาโรค่ครับต่อมาครับนบีมูซานี่พูดไม่คล่องคนที่พูดคล่องใครรู้ไหมฮารูนทําไมอลัลลอฮ์ไม่เลือกฮารูนเป็นนบีทั้งที่พูดจะคล่องแคล่วไปน้องข้อสรุปก็คือว่านาบีมูซาเนี่ยใจสา มฮารูนนี่ก็สะอาดเหมือนกันแต่ น, น้อยกว่นานบีมูซาฉะนั้นอัลลอฮ์ส่งมูซามาเป็นนบีแล้วก็ให้ฮารูนมาเป็นผู้ช่วยอัลฮัมดุลิลละอาต่อมาครับนบีมูซาโต้เถียงกับฟาโรฝฟาโร่รทำท่าจะแพ้แลเลยไปน้องฟาโราก็สั่งให้เรียกให้เรียกอะไรเรียกประชุมมายากรทั้งหมดพวกซาฮิบทั้งหมดเพื่อมาแสดงต่อมาครับพวกมายากรยอมแพ้ ยอมแพ้ฟาโรต่อหน้าคนละใครใครใครเสียหน้าโอโหฟาโรเสียหน้าครับเฟื่องอุลขอวิงวอนให้พ้นภัยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมโหสถมาเยอะมากเลยนะ่ะมียระมานแปดเจ้ารายการลองไปเช็คดูสิเจ้ารายการมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขนาดอัลลอฮ์ส่งมิหาถมาผ่านนบาีมูซามาให้ฟาโรยอมรับนะฟาโรมันก็ยังโอหังยังวางวางโตเหมือนเหมือนเมืนเดิม มูซานี่แคบพวกมีคามําซาเมรี่รืออย่างซาเมรี่ไหมซาเมรี่เนี่ยคนนี้นะชื่อชื่อโมซาเหมือนกันมาลาอิกาเลี้ยงแต่โมซาเนี่ยบียโซาเนี่ยฟาโรเลียงเลี้ยงอยู่ในพระราชวังที่ฟาโรเลียงนี่ยเป็นมุสลิมที่มาลาอิกาเลี้ยงนี่ยเป็นกาเฟา่ซาเมรี่คนนี้เนี่ยนะพาพวกอิสรา อ, อีล น, <c oughs> นะครับ ให้อะไให้ให้อะไให้บูชารูปปั้นที่เป็นวัวนีซาบรี่นี่แหละตัวแสบแต่หน้าชื่อมูซาเดิมแต่ต่อมาได้ฉายาใหม่เป็นซาบิรี่เพราะยุให้พวกบันิอิสรอีนทำอะไรนะปั้นลูกวัวนะครับซึ่งในดานิเอต ก, กูอานที่จะผ่านมาแล้วต่อมาข้นบีมูซาข้ามข้ามทะเลได้สําเร็จแล้วก็ไม่ตายส่วนฟาโรนั้นจมน้ําตาย มมซาไปอยู่ที่ภูเขาซีนายสี่สิบวันเพื่อรอรับวัวฮีโมซาขอรัวต่ออลัลลอฮ์อยากเห็นหนะ้า อ, อัลลอฮ์้วเป็นไงครับอลัลลอฮ์บอกว่าเห็นหนะ้าฉันไม่ได้ก็อยากเห็นน่ะอลัลลอฮ์บอให้จ้องมองไปที่ภูเขาพอจ้องมองปั๊บเนี่ยมีแบบแฝงแสงไฟมาเนี่ยสลบหรือวัดอวาตายอลัลลอฮ์ก็ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อลัลลอฮ์จ่าฉันยอมรับแล้ว ท่านฉันไม่สามารถเห็นอัลลอฮ์ผักของอัลลอฮ์ได้บนโลกดุรยางบ น, นี้อยู่ที่นั่นสี่สิบวันนะครับได้รับคำพิทารร้องมาครับถามว่าศาสนาของนบีมูซาศาสนาอะไรนายเดรทราบไหมศาสนาอะไรอิสลามพูดได้เต็มปากเลยฉะนั้นมูซาเป็นมุสลิมศาสนาที่มูซานํำอามซอนเป็นศาสนาอิสลามนบีนาบีนบันวก็เหมือนกันอิสลามทั้งหมดฉะนั้นอิสลามไม่ใช่เกิดขึ้นในยุค ข, ของมุฮัมมัด ยุคตั้งแต่ยุคแรกๆเลยพูดได้เต็มปากเลยนะครับนบ <c oughs> เป็นครูสอนนบีมูซานะในหลายๆเรื่องนะนบีคิ ด, ดถ้าว่านาบีมูซานี่เรสเพคให้เกียรติคิ ด, ดมากเลยครับทำดยุลยิ่งใหญ่นะต่อมาครับนบีฮารูนเนี่ยเตือนพวกบนิอิสร อ, อีนแต่พวกเขาไม่เชื่อนะครับนบีมูซานี่โกรธมากเห็นพวกพี่น้องก็จะบูชารูปรวบวัว นะครับโกรธมากเลยแล้วก็นบีมูซาก็สั่งให้เผารูปปั้นแล้วก็โยนทิ้งทะเลไปพวกอิสราเอลในเร่ร่อนอยู่ในทะเลซาอยู่40สปีพวกบนุนีอิสราเอล น, นะครับขอด้ามเนื่มขอนา้าขออาหารจากอัลลอฮ์อัลลอ์ให้อะไรอัลมัณนวัสซลวาวันนี้สองอย่างเนี่ยพวกอิสราเอลตะกร บ, บทดน่าดูเลยนะครับต่อมาครับศาสนาของนบีมูซาคือาศาสนาอิสลาม นี่สองอายะห์นี้นะครับอายะห์สุดท้ายอิลาฟิรอาหนาวามาไลฮ์ฟาสตักบารุวะกานุข้าวมันอาลีอิลาฟิรอาหนาวามาไลฮ์ฟาสตักบารุวะกานุข้าวมันอาลีมีเรื่องหนึ่งลืมเล่า เด็ก น, นบีอย่างน้อยสองคนที่เรารู้นะนบีมูฮัมมัดกับนบีมูซา่าแม่ไปติเลี่ยงใช่หรือไม่ใช่คนอื่นเลี้ยงหมดเลยเห็นไหมออีกคนหนึ่งนบียูซุฟจากพ่อกีป่ปีจากครอบครัวกีป่ปีโอมอักบาดอย่างน้อยสามนาบีที่เราเห็นนะหนึ่งนบียูซุฟถูกจับโยนไปในบอ่ออัลลอฮ์นั่นเห็นไหม นี่ผมได้ความรู้ใหม่ตอนที่น บ, บียูซุฟอยู่ในบอน่ะน บ, บียูซุฟขออาบทไหนรู้เปล่าไ <c oughs> ม่ยูสองวัตลาอิลาฮอิลลัลลอฮอัลลอฮอัคบัตลาอิลาฮอิลลัลลอฮอัลลอฮอับัตตอนอยู่ในบอนว่าสองคนี้เท่านั้นเองอัลลอฮฺส่งมาช่วยน บ, บีอะไรที่ไว้ท้องปลาน บ, บียูนุสอยู่ท้องปลาอ่านอาบทไหนอัลลอฮให้ปลาคาย لا ล ل ه إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالين นะที่น้องทั้งหมดแล้วนี่เป็นบทเรียนพวกเราว่าระหว่างที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีใครลืมอัลลอ์สักคนนึงอย่าลืมอัลลอฮ์นะเระฉะนั้นนบีมูซาอยู่ในพระราชวังศัตรูของอัลลอ์เลี้ยงอยู่เห็นไหมอาน บ, บีมฮัมมัดอัลลอฮ์งไปอยู่ที่ไหนยอยู่กับนางคาริมาสาดียะ นั่นประวัติตรงนั้นน่าเรียนมากเลยนะแล้วก็นบียูซุฟอะเลฮิสลาอัลลอฮ์พี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเน่ยชีวิตที่ลำบากดีกว่าชีวิตที่ส บ, บได้ไหมลำบากดีกว่าสบายอ่าวเล่าอีกนิดหนึ่นงพวกอาลูซุฟะ <c oughs> คนที่อาศัยอยู่กับท่านนาบีใช่ไหมเรียนหนังสือเนี่ยแล้วก็อยู่ชายเชิงสุราเนี่ยนะทำเป็นลําเพิงออกมาเนี่ย อยู่กันหลายคนสอบบ้างบางท่านีะเป็นอาลุซุฟากำลังยืนนมาอยู่เนี่ยบางทีก็หน้ามืดล้มไปมีอาหรับบ้านนอกอาหรับบดวีมาณมากับท่านนั่นดีด้วยเขาก็ทำนีเองบ้ารด้ไงยืย้อแล้วก็ลม้มแบเนี้พูดตำห น, นูดูถูกเยียดหยามพอนบีให้สลามเสร็จนบีพูดแบบว่ารู้ไหมคนคนนี้นีนะ่พวกท่านเนี่ย ถ้าตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาในวันเตียมะเห็นบรรดาอาลุซุฟะอัละลอ์ยกย่องให้เกียรติยังไงพวกท่านอยากจะมีชีวิตเหมือนเสาบนโลกดุนยาี่นบีขุนแค่นั้นบบเป็นคำ อ, อย่าดูถูกคนยากคนจนถ้าเราลำบากบ้างเงินท้องขาดบ้างก็ต้องไปโวยวายอ่ะไอทำไงนะนี่แหละดูอาน่ะลาอิลาอิลลอัลลอฮฺอัลลอฮอบักบัดเอาของน บ, บีาายูนุสมาใช้ ลาอิลาห์อิลลาห์อันทะ้งสุบฮานะก็อินเนกุนตูมีนาโอลิมิตยานีปิ่นต้นแต่ตอนสมัยนบีม د, ุฮัมมัดวลามีปัญหาเดือดร้อนนบีเข้าหาเรด า, ราด้ยกานนมาดใช่ไหมทั้งสามรายการเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นแนวทางชีวิตของพวกเราที่ดีที่สุดเรื่องกุ้มใจอัลลอฮ์นบีสอนเอกคนที่เป็นมุมลินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเหนื่อยมีรางวัลไหมกุ้มใจมีรางวัลไหม จะป่วยมีรางวาัลไหมเห็นไหมถ้าหัวใจถ้าผูกพันกับอัลลอฮ์มีอิมาเหนื่อยกับมีรางวาัลผมเคยเหนื่อยอ่ะหาแว่นตาเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเดินหาอยู่ไปไหนบนตนตาชอ่านหนังสือหน่อยพอผ่อานกระจกอ่ะอยู่ตรงนี้ะอะไรเรื่องหนึ่งสตางค์หายไปน้องน้องหายไปไหนเปนั่งหนังสือพอเปิดอ่านอยู่ตรงนี้เองไอนเหนื่อยแบบนี้มีรางวาัลไหมมีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเราอีมานต่ออัลลอฮ์ ใคต้องทางหายหน้าสุเหล่านี้เรื่องนั้นะจะไดว้วรรคกันเอง <c oughs> นะครับเอาสรุปจากอาย่านี้ก็คืออีลาฟิร์อาอนอัลลอฮ์ทรงมูซาไปหาใครครับมาหาฟิร์อาอุนวามาลาอีฮีมาหาใครอกีกมาหาพวกหัวหน้าหัวหน้ามาถึงรองลงมาจากน บ, บีเออรองลงมาจากฟิร์อาอุนก็คือพวกพวกหัวหน้า น, นะพวกอะไรนะ เอ่อพวกค่าราชการระดับผู้ใหญ่นะอ่าต่อมาที่นี้ส่งมาแล้วเป็นไงครับฟัสตาคบารูแต่พวกเขาโอหังเห็นไหมตะกับุรโอหังอารอดชอบแม่คนโอหังเนี่ยไม่ชอบนะครับแล้วต่อมาครับวากานุกามาลีนและเป็นหมู่ชนที่วางโตอ้าหรือว่าสูงอ่ะเตะท่าวางโต ฉันแน่ฉันไม่เอาใครแล้วเป็นอ้องนี่ไงลักษณะสองอย่างนี้ซิฟเฟตเร็วๆอย่างนี้อย่าเอามาใช้กับตัวเราหนึ่งตะกำ บ, บุดเย่อหญิ่งจองของอาลีนวางโตอลัลลอฮ์วางท่างเงินเท่าไหร่ยี่สิบล้านอาจนาคาโอ้โหแค่วางโตแล้วไม่ใช่เป็น้องนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ขอดูอาอต่ออัลลอฮ์เรารู้เราเวลาลำบากคิดถึงนบีกี่คนนะ t orang Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihi salam. Naka Subhanallahumma wa bihamdi k a s h f i l a illa illa anta astaghfiruka wa tu builaiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.